ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่แปดสิบห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี mp สแผ่นที่แปดสิบห้าให้คติธรรมหัวข้อว่าอันทาตะมัง ตาทายังโลโพสหเตเมื่อความโลภคลอบงำย่อมมีแต่ความมืดบอดดูในหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าดูในหลักธรรมจะได้มีมากถ้าว่าความโลภครอบงำถ้าหากว่าผู้ใดมีความโลภอยู่ในจิตในใจจะมองไม่เห็นคุนงามความดีมีแต่ความอยากอยากอยากอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อความอยากเกิดขึ้นก็ไม่มองมองไม่เห็นใครมองไม่เห็นเพื่อนเห็นฝูงเห็นญาติพี่น้องเห็นผู้สูงผู้ต่ำมีแต่ว่าอยากได้ให้ได้อย่างใจของเราเท่านั้นใครจะเดือดร้อนทุกยากยังไงก็ไม่ได้สนใจเพราะอะไรเพราะว่าความโลภครอบงำเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจึงจะครอบงำยังไงก็เถอะต้องใช้ธรรมะ คือหลักเหตุผลโลภไปเพื่ออะไรเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมโลภไปเพื่ออะไรมันถูกต้องไหมเหตุที่เราอยากจะได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าว่าเรามีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจเป็นเครื่องสกิดเรื่องห้ามจิตใจของเราอยู่ถึงจะโลภอย่างไงก็ต้องมีเปรกในการอยากนั้นด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดยอยู่ในกรอบของศีงลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกๆคนด้วยเทิน